รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงฆ์จงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบา